คนที่มีชั้นตราฆาในขันหน้าก็โดนทุกสองขัน้นคนที่มีชั้นทาราฆาในขันหน้าก็เพียงแต่ทุกขั้นหลอกขั้นเดียวไม่เจ็บทิ้งข้างในมันต่างกันอย่างนี้ตอนนี้เมื่อมีอุปาทานแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดพบนะครับพบอาคำว่าพบในที่นี้อท่านต้องเข้าใจนะครับท่านแก่เป็นตรมมภวโอกับอุปาาปติภวโอตัมมาภวโอ ป, ปัปปติภวโอต่างกันอย่างไรตรมมาภวโอ่นะ ความจริงก็เป็นสังขารในเงื่อนอวิชาปัจจัยเกิดสังขารนั่นแหละคือแก้ได้แต่กุศลกรรมอกุศลกรรมตมภาววเนี่ยเพราะฉะนั้นตรรมภาวถ้าจะว่าองค์คำแล้วไม่ต่างกับสังขารหรอกครับเพียงต่างกันแต่ว่ากรรมอวิชากับสังขารเป็นอดีตเหตุกรรมนี่เป็นปัจจุบันเหตุซึ่งจะส่งผลอนาคตผลในภายภาคหน้า กํามกรรมภพเนี่ยส่วนอปุปาภติภพนั้นอปุปาภติภพคือหมายถึงภพอันเป็นที่เกิดก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าอปุปาภติภพกับชาติมันต่างกันอย่างไรเพราะเพราะว่าเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเอ๊ะแล้วมาแก้ครับอปุปาภติภพที่เกิดและกับชาติมันต่างกันอย่างไรต่างกันครับอปุปาภติภพแล้วว่าที่เกิดชาติแล้วว่าความเกิด ที่เกิดกับความเกิดมัต่างกันนะสถานที่คล้ายๆที่นี่สาราจางบาลีนที่นี่เป็นสถานที่แล้วตารที่เรามาปรากฏตัวอยู่ในสถานที่เนี่ยนี่เป็นชาติเนี่ยต่างกันอย่างนี้ครับอุปาภติภพแปลว่าที่เกิดชาติแปล ว, ว่าความเกิดเนี่ยไอ้ความเกิดกับที่เกิดเนี่ยมันใกล้กันเต็มทีฟังให้ดียาเห็นต่างกันไอ้ที่เกิดหมายถึงสถานที่ ทัานแก่ว่าได้แก่ได้แก่อะไรตามมาพบรูปพบอรูปพบสัญญีพบสัญญีพบเนวสัญญาณาสัสญสัญญาพบนี่เอกูการพพจตุูการพพปัญจูการพบเก้าพบด้วยกันที่เกิดขึ้นมานเก้าพบเป็นเก้าพบด้วยกันส่วนชาตินั้นไม่ได้กแก้อย่างนี้ชาติเป็นเพียงที่ กิริยาอาการที่ขันไปปรากฏในภพเหล่านั้นความเกิดขึ้นของขันเช่นว่าเราเป็นเราเป็นัตว์ในปัญจัการการที่ขันหาประชุมพร้อมเกิดขึ้นในขณะแรกชื่อว่าชาชื่อว่าชาถ้าจะว่าไปแล้วอ่นนับตั้งแต่ประพมขณะแห่งสติสุนทรวิญญาณที่ยังลงสู่ขันของมารดาอันนี้เป็นชาติเป็นชาแล้ว ไม่ไม่ใช่ไปเราเอาตอนทอดมาเป็นชาตินะี่ไม่ใช่นะครับต้องถือเอาตั้งแต่ปฐมปฏิสมัมพิชขณะอย่างลงสู่สู่ขันมานดานี่เป็นชาตินี่อันหนึ่งละถ้าถือกันตามอย่างสามัญก็ต้องถือเอาตอนที่ว่าตอนทอดอุ้แวออกมาแล้ววินาทีแรกเป็นชาติความจริงนะน่ะถว่ากันตามปรมาทัตแล้วมาเริ่มเป็นชาติตั้งแต่วินาทีแรกสีปฐมปฏิสมัมพิชวิญ ญ, ญาณ ล, ลงแล้วนี่แหละเป็นชาติแท้โดยปรมาทัตเป็นชาติแท้ อันนี้ก็เป็นชาติเพราะฉะนั้นชาติกับอุปาปฏิภพเน่ยต่างกันพบหมายถึงที่เกิดได้แค่พบเก้าพบทั้งเาส่วนชาตินี่ยหมายถึงอาการที่เกิดอาการของความเกิดขึ้นไม่ใช่ที่เกิดเป็นอาการของความเกิดอาเพราะเหตุนั้นอุปาปติภพจึงไม่เป็นปัใจจัยให้เกิดชาติกรรมภพเท่านั้นที่จะเป็นปัใจจัยให้เกิดชาติจ้ะอันนี้เป็นข้อข้อที่แตกต่างกันอีก อุปาปติภพไม่เป็นปัจจัยให้เกิดชาติกรรมมาพบเท่านั้นที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดชาติตายทาไมถึงกล่าวว่าอุปาตฏิภพไม่เป็นปัจจัยให้เกิดชาติก็เพราะว่าอุปาตฏิภพน่ะมันเป็นเพียงสถานที่เมื่อเป็นสถานที่แล้วละก็มันเป็นอัพยากรรธรรมน่ะเป็นสถานที่อ่ะมันเป็นกุศลากุศลน่ะเมื่อเม็เมื่อไเป็นกุศลากุศลแล้วมันจะไปต่อให้เกิดชาติได้อย่างไรไม่ไม่ก่อให้เกิดชาติ ใครฆ่าสลากการบาลีนนีม่มีชีวิตจิตใจอะไรเนี่ยมันจะไปทำบุญทําบาปได้ยไงสลากการบาลีหลังนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นจึงอุปาติพบไม่เป็นปัจจัยให้เกิดชาติในปฏิจจสมประบาทกรรมมพบเท่านั้นที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดชาติอ่ะพระโมในที่นี้ต้องมีสองในยักษ์ต้องอธิบายสองในยักษ์อธิบายอุปาปิในยักษ์หนึ่งอุอธิบายเป็นกรรมมภาวะในยักษ์หนึ่งกรรมมภาวะเป็นปัจจุบันธรรมเป็นปัจจุบันธรรมนะกรรมมภาวะเนี่ย ตามมาที่เราทำในปัจจุบันอันจะสงผลเป็นอนาคตาอัตลาในการอนาคตในการภายภาคหน้าในอนาคตพอไปถึงอนาคตชาติใหม่ไอ้กรรมภาวะนี่กลายเป็นสังขารในอดีตในอฏิจาทาอาวิชาสังขารไปปฏิจจอาธาใหม่หมุนเวียนอย่างนี้ว่าไปจักหมุนเวียนหมุนเวียนมงีอย่างนี้เป็นต้นมานี่เป็นเรื่องปฏิจจสมประบาทโดยย่ออย่างสังเขปอย่างสังเขปนะฮะเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นโลกกระทัดในพุทธศาสนาจึงไม่ได้เพ่งท่านผู้สร้างข้างนอกไม่ได้ เ, เพ่งว่าเป็นโอกาสโลกมันจะมีวิวัฒนาการมาอย่างไรแต่เพง่งมาที่โลกคือชีวิตประดวงประดวงเนี่ยว่าชีวิตนี้มีวิวัฒนาการมาอย่างไรแล้วก็จะดับการวิวัฒนาการของชีวิตลงด้วยวิธีอย่างไรเพราะชีวิตวิวัฒนาการไปก็มีแต่ความทุกข์ชีวิตความเยี่ยมเยี่ยมไปเกิดเป็นทุกข์ต้องหาทางดับทุกข์ดับทุกข์ ก, ก็ต้อดงดับอวิชชาจะเพราะปัญหาจาก เท่านี้โลกก็ดับโลกเกิดก็ที่นี่โลกดับก็ที่นี่เพราะเหตุนั้นโบราณท่านจึงตั้งเป็นกระทูธรรมบอกว่าขึ้นทางไหนก็ต้องลงทางนั้นเกิดทางไหนก็ต้องดับทางนั้นเหมือนกับไฟไฟดับเรากองไฟลูกพองๆ ท, ที่นี่เราจะไปดับไฟว่าไปดับไฟทิ่ตะวันออกไม่ได้หรอกเอาน้ำสาดไปทางทิศเหนือก็ไม่ไดับไฟดับที่นั้นก็ต้องดับไฟที่ตรงนั้นแหละจะไปดับไฟทิศโน้นทิศนี้ไม่ได้เราขึ้นต้นไม้วิธีจะลงจากต้นไม้ก็ต้องลงบนทางเก่า ลงมาขึ้นจะโ จ, จ, จนมาขาแข่งหัหกเลยดีไม่ดีตายผิดทางวิธีจะลงจากต้นม้ ก, ก็ต้องลงทางเต่า Jenn, ขึ้นทางไห้ก็ต้องลงทางนั้นเกิดที่ไหนก็ต้องดับที่นั้นคาวิชาปัญหาเกิดที่นี่ก็ต้องดับที่นี่เกิดที่ปัญแจแข้งก็ต้องดับที่ปัญแจแข้ง น, นี่โบราณท่านถูปริศนาอย่างนั้นนี่เพราะฉะนั้นวิธีการโลคจะเกิดโลคจะดับอยู่ที่ตัวเราในธรรมพุทธศาสนานสาาอนอย่างนี้ การที่พุทธศาสนาสอนอย่างนี้ทําให้ได้เฟรดศาสนาอื่นคือศาสนาอื่นน่ะเมื่อไปเพ่งข้างนอกแล้วทุกก็ดับไม่ได้กิเลกก็ดับไม่ได้อย่างมากก็เป็นเพียงแต่ว่าสร้างความหวังอย่างหลงๆแรงๆว่าเราอ้อนวอนพระเจ้าไปทักดีพระเจ้าไปตายไปแล้วจะไปขี่ข่าวบริวารพระเจ้าบนสวรรค์คิดอย่างนั้นนะฮะนี่แต่ทางพุทธศาสนาเราศาสนาพุทธนั้นที่มีศาสนาแห่งเสรีภาพทั้งทางกายทางใจ ศาสนาจิตเป็นเทวะนิยมนะเป็นศาสนาระบบทา่าสอนระบบธาตุคือสอนในคนนี่นะ่ะเป็นธาตุของพระผู้เป็เจ้าไม่เคยมีในศาสนาเทวะนิยมที่สอนว่าถ้ามนุษย์เราทําความดีถึงขนาดแล้วจะเป็นพระเจ้าองค์ที่สององค์ที่สามไม่มีไม่เคยปรากฏอย่างดีก็เป็นเพียงขี้ข่าวพระเจ้าคนใช้พระเจ้าบริวารพระเจ้าบนนู้นไอ้พิวจะมีฐานะเสมอพระเจ้าไม่มีเลยนี่ไม่ได้คือมีหัวป็นกบด ขืนมีก็หาวเป็นพวกซาปามหรอกมีพวกยักษ์พวกมารเป็นศัตรูกับพระเจ้านี่ขืนมีเท่านะแต่พุทธศาสนาเราอธิบายให้แก่ชาวบ้านฟังระบอตรงกันข้ามเลยศาสนาพุทธนิ่เป็นศาสนาแห่งประชาธิปไตยเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพทั้งทางในข้าหนอกไม่ใช่เสรีเสรีภาพแต่แต่ลมปากทำไมถึงบอกเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าถ้าใครอยากจะเป็นผู้เจ้าก็เป็นได้ถ้าคนนั้นสร้างบารมีครบก็เป็นผู้ติจ้าได้ตําแหน่งพู้ตจ้าไม่ได้ผูกขาด สำหรับพระโคตมะองค์เดียวพระพุทธเจ้าสั่งในอดีตสั่งแสนโกดปัจจุบันแสนโกดอนาคตแสนโกดมากมายกระทั่งมีคําว่าคังคาณาทีวาลโกประมาพุทธาคังคาณทีวาลโกประมาพุทธาปริมาณแห่งพระพุทธเจ้าทั้งตน่ะอุปมาเหมือนหนึ่งเมล็ดทรายในแม่ น, มน้ํำคงคาไม้กวามัมีมากมายเหลือเกินเรานับเมล็ดทรายในแม่ น, มน้ํำคงคาไม่หมดชั้นใดเราจะนับประมาณแห่งจํานวนพระพุทธเจ้าที่กลับไปแล้วที่กําลังตรัสอยู่ที่จะตรัสในอนาคต ไม่หมดขั้นนั้นนั่นก็คือแสดงว่าพุทธศาสนานี้เป็นประชาธิปไตยแท้ไม่ได้โ hu ขาดตําแหน่งหัวหน้าว่าจะคนใดคนหนึ่งอันเป็นระบบะเผด็จ ก, การแต่ว่าใครก็ตามถ้ามีคุณงามความดีเต็มพ้อมก็มีสิทธิที่จะก้ามาสู่ตําแหน่งผู้นาได้ถ้าเขาเลือขึ้นมานี่ทางพุทธเราก็ใครสว้าง ค, าคุณงามความดีบารมีสามปิดทัดสมมูรณเป็นสทัทธาธิกโพธิสัตว์ก็หกแสนไข่หกอาศงไข่แสนมาหากรับ เป็นปัญญาสิกขาภูติสัตว์ตัสีอสงไขยแสนมหากับต์สร้างมาครบบริบูรณ์แล้วตำน่งผู้พุ็นเจ้ามันนี่หนีไปไหนเสียแกเป็นทันทีเชียวไม่ใช่ผูกขาและสําหรับใครนี่เราบอกเราชนะศาสนาเทวานิยมแล้วศาสนาฝ่ายเทวานิยมนะอ่อนร้อนแทบปากจะหักทำความดีแทบชีวิตจะดับเป็นได้อย่างมากขี่ข่าพระเจ้าอยู่บนขวัญเป็นบูรุณเรศพระเจ้าอยู่บนน้นจะให้เป็นขโมยพระเจ้าไม่มีศาสนาอย่างนี้เป็นผด็จการ ผูกอำนาจผูกขาดได้คนเดียวนี่แต่พุทธศาสนาไม่ใช่ประเด็จการไม่ประชาธิปไตยเราสอนราธิบายด่นี่ชี้แจงลักษณะประชาธิปไตยในพุทธศาสนาตอนนี้มองในแง่ของความทุกข์ตามที่ไปเกิดบนสวรรค์เป็นขี้ข่าพระเจ้านั้นพัฒนาติขอชาวพวกเราสวรรค์ยังเป็นไม่มีความหมายนี่สวรรค์เนี่ยยังอยู่ในวัฏฏะไม่ประเสริฐเพราะฉะนั้นมีผู้มาถามพุทธเจ้าบอกว่าใครเนอะใครล่าิุดในผู้ประเสริฐสุดในโลกนี้ กับทั้งเทวโลกพระองค์ตรัสบอกว่าวิชาเจรณะกัมปันโนโซเซโพเดวมาลุเซผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะผู้นั้นแหะเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือตรัสเป็นกลางกลางไม่ได้บอกว่าเทวดาปรเสิดกว่าคนหรือาาพระเจ้าประเสริฐกว่าคนไม่พูดสมตรัสว่าใครก็ตามจะเป็นเทวดาก็ตามจะเป็นมนุษย์ก็ตามถ้าถึงพร้อมในวิชาแล ะ, ะเจรณนะ วิชาคือความรู้จรณะคือประพฤติตามความรู้ที่ตัวรู้ได้ผู้นั้นแหละที่เป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งปวงนี่ลักษณะอย่างนี้พุทธศาสนาเป็นมนุษยภาพนิยมและเป็นปฏิฐานานิยมซึ่งศาสนาอื่นไม่มีเป็นฮิวแมนิสม์เพราะหลังเรื่ฮิวแมนิสม์เป็นมนุษยภาพนิยมแล้วก็เป็นปฏิฐานานิยมเป็นประจักษ์นิยมคือแทนที่จะไปเอาความดีความงามไปไ่ากัให้จับพระเจ้า ถ้าเจ้าเองก็ไม่ไม่เคยปรากฏในตำนานปาำนานเหล่านั้นว่าไปทำความดีอะไรมาถึงไม่เป็นพระเจ้าคนเราจะมีฐานนันดอนตำแหน่งสูงขนาดนั้นน่ะมันต้องมีประวัติสิว่าไปทำคุณงามความดีอะไรมาเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมเนี่ยเราเราไปถามเขาสิว่าพระเจ้าเขาเนี่ยเคยมีประวัติทำความดีอะไรมาบ้างมีไหมมีบ้างไหยอยู่ๆก็มาสร้างโลกขึ้นมาแล้วประวัติที่พระเจ้าองค์กว่าจะได้เป็นพระเจ้าเนี่ยทำความดีอะไรมาบ้างอยากจะรู้ถึงได้ฐานันดอนตำแหน่งสูงอย่างนี้ฮึไม่มี เพราะฉะนั้นศ า, าสนาฝ่ายเทวานิยมนะเขาบอกว่าพระเจ้านี่แหละพระเสริฐสุดคนนิมประเสริจสู้พระเจ้าไม่ได้แต่ไม่ปรากฏตัวพระเจ้าเลยทําคุณงามความดีอะไรมาก่อนพอมาประเด็นปัญหานี้มาถึงพุทธศาสนาเขา้าพุทธศาสนาเราแทนที่จะไปตัดสินความประเสริฐอยู่ที่มนุษย์หรืออยู่ที่เทวนาคือพระเจ้า ต, ตัดตัดสินอยู่ที่ความรู้กับความประพฤติว่าใครมีความความรู้และประพึกตามที่ตัวรู้ได้ ผู้นั้นแหล่ประเสริฐสุดยิ่งกว่าพระเจ้าและมนุษย์อันนี้เราจะหาศาสน า, าที่ให้ความยุติธรรมอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วไม่ใช่าศาสนาไม่ใช่ประเรสริฐเพราะเหตุที่ว่าแกเป็นพระเจ้าไม่ใช่ประเรสริฐเพราะความรู้ความบันทึกนะฮะบันทึกดีด้วยดีตามที่ตัวรู้ดีนี่เพราะฉะนั้นลักษณะพระเจ้าในพุทธศาสนาท่านจึงแบ่งแบ่งเป็นสมุทติเทศอุปปาติเทศกับวิสุทธิเทศเทและทรงสรรเสริญว่าวิสุทธิเทเนี่ยประเสริฐที่สุด วิสุทธิเทพได้แก่อะไรอรหรันที่หมดกิเลสแล้วสมุติเทพคือพระเจ้าบรรลินอุปัติเทพคือเทวดาโดยกําเนิดนี่คือพระเจ้าส่วนวิสุทิเทพนั่นจะเป็นมนุษย์ก็ตามเทวดาก็ตามถาหาว่าหมดจากกิเลสอารทาหะแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดอันนี้เป็นหลักสาคัญที่สุดอันนี้แหละเพราะฉะนั้นศาสนาที่เป็นฝ่ายเทวนิยมเนี่ยมัยมยมกจะอ้างอ้างบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ใช่ไหมขย้อนถามเรานะเราบอกว่าใช่ อ้าวถ้าเป็นมนุษย์ก็ตกพระเจ้าของท่านสร้างขึ้นมาเพราะพราะพระเจ้าของท่านน่ยสร้างมนุษย์เพราะนั้นพุทธเจ้าสืบพระเจ้าท่านไม่ได้พระเจ้าสร้างพุทธเจ้าขึ้นมาทำอย่างีพระเจ้าแล้วเขาพุทธเจ้าก็ไม่เกิดเขาว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องสร้างปัญหาย้อนถามพระตายบอกว่าเอาล่ะจะมีพระเจ้าหรือไม่มีน่ะทางพุทศาสนาเราถือว่าบุคคลเนี่ยสําคัญหรอกบุคคลเนี่ยฐานะเขาบุคคลไม่สําคัญสําคัญอยที่ความประพฤติจิตใจคุณสมบัติเราถามว่านี้บอกว่า พระเจ้าขท่านอะโกรธเป็นไหมโลกเป็นไหมเขาบอกเขาบอกไม่เต้นแล้วว่าอ้างตำราดได้เลยอากาักตางคำทีเขา้าทําไมจะทําไมจะกรธไปเป็นบรรดาให้น้ําท่วมโลกคนตายทั้งโลกเลยอืมบรรดาให้โลกระบาดคนตายทั้งประเทศเลยอสฝัง่งนรกไว้สำหรับจับคนไปลงโทษเลยพระเจ้าสั่งท่านั้นแหละเนี่ยอย่างนี้ไม่ใช่ทูตสารเลย และพระเจ้าก็ชอบเลยคนมาชันเสริญวงสวงเย็นยาพระองค์โปรดโกคนนี้ชันเสริญถ้าใคนไม่ชันเสริญก็โปรดเอาตัวไปลงโทษลงนรกลงโทษตัดศีลตายนี่ไม่ใช่รบแล้วเพราะฉะนั้นทางพุกธเราตัดศด้คุณสมบัติพระเจ้าขงแกนาทาลงมีอย่างนี้แล้วนะไม่ประเสริฐเราูทุกทกขนไม่ดุ่พระฉัมีโลโกรธหลงเพราะฉะนั้นฉันกลาวว่าพุกข์พ่านสนิทใจเพราะว่าฉันเองก็มีโกดลงคนนี้โลหลงจะได้กลาวว่าโรคโกรธหลงดวยกันกลรา้น เมื่อเราเมื่อทางพุทธศาสนาไม่ถือว่าสวรรค์เป็นเรื่องปร p e r s ิดเลื่อยลอยอะไรการที่จะฝากอนาคตให้ไปบํารุงบําเรอพระเจ้าบนสูงสวรรค์จึงไม่ใช่อุดมมทัศมีในพุทธศาสนาไม่ใช่อุดมสติในพุทธศาสนาเราไม่อยากจะไปะเถือบบนสวรรค์เราอยากจะเกิดสูงกว่าสวรรค์ไปอีกคือนิพพานอันเป็นทำอันไม่เกิดลงมีเกิดแล้วยังมีทุกข์และบอกเทวดาก็ยังทุกข์อยู่นี่นะ ยังโกรธเป็นยังโลกเป็นนี้ยังชอบไปเข้ามาสันเสริญนี่ยังเป็นโลภะอยู่ผู้ศาสนาถือเป็นโลภะยังชอบเมื่อเขาสันเสริญยังรู้สึกโกรธเมื่อเขาไม่สันเสริญตัวตั้งและลกก็ทรมานคนยังเป็นโทสะอยู่ใช่ไหมดาเพราะฉะนั้นเทวดาก็ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์โดยคุณสมบัติเหตุนั้นสมานจริงยังไม่ใช่สิ่งที่ประเสริฐสุดหรือเป็นบรมสุขแท้เพราะแม้แต่พระเจ้าเองยังโกรธยังยังยัโลภเลยแล้วที่จะป่วยกาไปย้ยการลุ่นน้องพระเจ้าเพราะฉะนั้น สวรรค์ยังไม่ใช่เป็นอุดมสติที่แท้จริงของชาวพุทธที่จะไปเราต้องไป ใ, สใ้สูงกับสวรรค์นี่เราถือว่าการไป่เตื่สวรรค์ยังทุกอยู่นี่เราถือเราบอกงี้เพราะฉะนั้นเราจรึงแสดงปฏิจิจกรมบทบาทเพื่อจะดับทุกข์กันนั้นแทนที่จะไปคิดสร้างโลกข้างนอกต่อปัญหาว่าโลกนี้ใครเป็นผู้สร้างเลิกไม่เอาจับประเด็นสมัยอธิบายให้ฝ่ายาตรงข้ามเข้าใจว่าประเด็นผู้พุทธแตกต่างจากประเด็นผูท่านนะ ประเด็นท่านเห็นว่าสวรรค์เป็นบรมษสุขแต่ประเด็นท่พูดต่อสวรรค์น่ะเป็นบรุษทุกขเพราะว่าพุทธเจ้าเองจะตัสรุน่ะนานๆพระองค์ไม่เคยตัสรุษบนสวรรค์พุทธเจ้าเนี่ยบ้างตัสรุษในโลกมนุษย์ถ้าโพธิสัตว์จะสร้างบา ร, รมีนะ่ะถ้าไปสร้างบสวรรค์ถ้าบ่าเอินไปเกิดบนสวรรค์ที่อายุยืนเกินตายชิลึกเกิดในพรมโลกเนี่ยหมดทุนทางสร้างบา ร, รมีหมดทุนทางบ้งางทำอภิการมุตเต ต้องทำอธิการลมุดตกิริยาอธิมุดตการลกิริยาต้องทําอธิมุตตะการลกิริยาอธิษฐานให้ดับชีวิตลงมาเกิดในโลกมนุษย์ไปเกิดบนพมะโลกตั้งแปดมูลนหาตัปเนี่แม่เจ้าโว้ไปอยู่บนโน้นหมดหนทางสร้างบา ร, รมีเพราะบนโ น, น้นเน่ยเขาสบายกันทำไมพวกพมนะพวกพมพวกพม์เสอีกที่ไม่มีโทสะมียังมีโมหะอยู่ไม่มีโทสะไต่มีโลภะแต่ว่ายังมีโมหะพรม์อ่ะ ยังประเสริฐกว่าพระสวรรค์ของพระเจ้าที่ยังมีโอสฐมีโลภะแต่พระองค์อายุยืนมากแล้วขบูลมโนไม้จะไปโปรดใครก็ไม่รู้ทุกคนกําลังอยู่ในฌานสมาบัติสบายใจเต็ จ, จะตายไปหมดแล้วนี่จะไปทําทานก็ไม่รู้ทาำใครก็ไม่รู้จะไปสงเคราะห์ใครก็ไม่รู้บุญโลนเขาไม่ต้องให้เราไปสงเคราะห์งั้นน่ะทุกคนมีฌานสมาบัติสบาย อ, อกสบายใจกเต็มไปทั้งหมดเพราะฉนั้นถ้าโอษิศัตร์ที่ไปเกิดบนพรมโลกอายุยืนยืนจึงต้อง ทำ อ, ธ, อธิมุตตะกาลกิริยาแปลว่าอาธิฐานให้ดับชีตไม่เกิดมุตอธิษฐานโอ้อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไปก็ไม่มีโอกาสจะสร้างบารมีอธิษฐานเรามาเกิดในแดนมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงไม่ไม่ใคร่ปรากฏว่าพระโพธิสัตว์น่ยไปสร้างบารมีบนสวรรค์หรือบนพุทธ โ, โลกส่วนมากมาสร้างบารมีในแดนมนุษย์ทั้งนั้นเพราะมนุษย์เราเนี่ยมีมีไอสิ่งต่างๆที่จะให้โพธิสัตว์สร้างบารมีได้มากกว่าทั้งสวรรค์ กว่าทาั้งสุเมรุอันนี้เป็นลักษณะฮิวแมนิซัมในพุทธศาสนาคือมนุษยภาพนิยมฮ <Human ism S 2> ิวแมนิซัมแปลว่ามนุษยภาพนิยมนี่พุทพักก็ต้องเป็นมนุษย์เดดเดดมนุษย์โพธิสัตว์ก็ต้องมาสร้างมรรมีเดดเดดมนุษย์เป็นสวนมากนี่อันนี้เพราะฉะนั้นพุทธศาสนานี่แล้วที่ของเราจึงแตกต่างกับาศาสนาฝ่ายเทวะนิยมในจุดตรงนี้ วันนี้เรื่องปฏิจจสมุปบาทต่อเห็นยาต้องควรอก่าเวลานะครับมีก็คุณเจ้ารูปหนึ่งเขียนถามมาว่าแถวบ้านอาตมานั้นเขาชอบเรียกเจ้าพ่อเข้าทรงขอหวยขอเบอร์กันอาตมาเห็นเจ้าพ่อแสดงอาการกิริยาต่างๆเช่นแลบลิ้นปลิ้งตาอาตมาเห็นว่าลิ้นนี้ออกมาเกือบคืบการเข้าทรงนั้นวิธีเข้า เราไม่เห็นเพราะเป็นกายชิดแต่วิธีแสดงออกของคนถูกเจ้าพ่อเข้าสิงนั้นพูดก็ผิดเสียงธรรมดาอาตมาอยากทราบว่าเจ้าพ่อเจ้าพ่อตึงตึงลิ้นออกมาดึงลิ้นออกมาหรือหรือยาวอย่างนั้นอ่า <c oughs> เรื่องเข้าทรงนี่เป็นเรื่องตอบอยากครับในกรณีมีมีการทรงร้อยลายนะฮะ จะมีกายทิพตมาทรงจริงๆอะตักสองลายมั้งอีกเก้าสิบแปดลายน่ะเป็นทิพนูไทยสะ ก, กดจิตตัวเองสะ ก, กดจิตตัวเองอีกเก้าสิบแปดลายเนี่ยเพราะงั้นเรื่งทรงนี้เราต้องระวังบางทีในลายที่มีกายทิพตมาเข้าทรงอีกนั่นแหละกายทิพตเนี่นก็หลอกหลอกคนตรงเหมือนกันนี่คือพวกผีจีนองจินสามเนี่ยกายทิพตชั้นเร็วๆเนี่ย อ, อ้าวาตัวเป็นพรอินมาทรงก็มีอ้าวาตัวเป็นพระพร ม, มาทรงก็มี อินทพระพมที่ไหนจะมาตรงไก่กระเลววาร่าล่า ง, างมนุษย์เหม็นอย่างนี้โมโทถ้ามาใกล้โลกมนุษย์เรื่าเหม็นมนุษย์ตั้งร้อยยอดหลักินไอมนุษย์ดิขึ้นไปบนสวรรค์ร้อยยอเหมน็นเต็มทีแล้วทาไมมาทรงล่างมนุษย์เราร้อพระอินทพนะระพรหน่ะถ้านตนะัวโรคบาลน่ะท่านเป็นสุคุมารชาตกินอาหารทิพอยู่ทิพย์ที่ท่านมาในโลกมนุษย์ข้างพุทธกาลบ่อยๆนะเนี่ยเฉพาะกลิ่นของศีลเนี่ยไฟปวนลมกลิ่นของศีลเนี่ยพาล้านมีเยอะข้างนั้น แล้วก็พระพระุทธเจ้าก็ทรงพระชนทีบอยู่เป็นประธานเพราะฉะนั้นเทวดาชั้นสูงสูงจึงมาเฝ้าพระองค์กลิ่นศีลไปพวนลมกลิ่นศีลศพกลิ่นเนื้ของมนุษย์นี่มาเฝ้าเพราะฉะนั้นอาเทวดากายพิพย์ที่จะมาติดต่อติดต่อกับมูลนธ์นะเราต้องเราเชื่อได้เฉพาะในกรณีที่ว่ามนุษย์คนนั้นอย่างน้อยต้องได้ฌานสมาบัติถ้าได้ฌานสมาบัติแล้วมาพูดกับเราเราเชื่อว่ามีกายทิพมาติดต่อด้วยถ้าไม่มี ยังย่างยั ง, ย, งยังก่อนอย่าพึ่งเชื่อครับส่วนมากเซนกราณีคิโนไทสะกดตัวเองสะกดตัวเองผู้ฮิโนไทเนี่ยสำคัญนักผู้สะกดตัวเอ ง, เ, องนเนี่ ย, นะ ย, ยแล้วก็ทําอะไรต่างๆผิดผิดปกติธรรมดาไ ด, าด้ผู้ฮิโนไทเนี่ยหรือถ้านากว่ามีกายคิดมาเข้าทงจรงิงแล้วถ้ากายคิดนั้นมาอ้าวว่าเป็นพระอินทรพรมแล้วก็ก็เป็นกายคิดฉันต่ําๆมาหลอกเราไม่ใช่กายคิดจริงๆมาหลอกไม่ใช่พระอินทร์พรมมาจริงหรอก เพนั้นพวกี่โดนมากมาเข้าทรงกับมนุษย์เนี่ยถ้ามาจริงนะเป็นเทวดาชั้นลูกกับเทวดาภูมิเทวดาไม่ใช่เทวดาชั้นสูงครับที่มาเข้าทรงน่ะไม่ไม่ไม่ใช่เทวดาชั้นสูงเอ๊เราอยากคลิปมาใบาหูมาบอกหูนี่ด้วยยิงยิงสงสายให่ยิ่งสงสายใหญ่เราก็ไม่รู้ว่าจะมาเก้หรือมามาจริงแต่ทั้งนั้นทั้งนี้กายคิดตีมาทรงน่ะกายคิดบางกายคิป ก็ไม่ไม่ใช่เป็นสาวทุชนก็มีนะเพราะกายที่ิดไม่เด็ดมีศีลธรรมสูงอะไรก็มีแต่บนมนุษย์เราเนี่แหละมนุษย์ผิดเป็นสาวทุชนก็มีมนุษย์ที่เป็นอันธพาลก็มีเพราะนั้นกายที่ิดเป็นอันธพาลก็มีไม่ใช่ไม่มีมีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีบางทีไม่ใช่กายทิ่เขาด็ฟทำเป็นพวกเปรตอสุจิกายมาทรงก็มีมีเหมือนกันมีกระหูดอย่ากายที่ดีเช่นพวกเจาะหอเจาะหอหึงสูงเนี่ยมาทรงก็มีอย่างเจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยจริงเจ้าพ่อหลักเมืองนี่เวลามาทรงแล้วพวก นั่งทางในตรวจดูเห็นตรงกันหมดมาในรูปตรงอย่างไรก็รูปทรงอย่างนั้นใส่เสื้อผ้าย่างไรจริงจะพ่อหลักเมืองเชท่านเป็นกายคิศชั้นสูงเป็นภูมิเทวดาชั้นสูงมีศิลธรรมสูงนี่แล้วก็มีท่านผู้หนึ่งนั่งดูบอกว่าจะพ่อหลักเมืองชาติก่อนนะเป็นพระเป็นพระสงฆ์เหล่ า, านี้แหละเพราะงั้นนะเป็นเป็นเป็นพระสงฆ์เทิดินอยู่ที่ท่านแหละแต่ว่าอย่างขนาด จ, จะพ่อหลักเมืองจะพ่อเขาตกนี่พวกเจ้าพ่อเหล่านี้นะเก็ดูมากเป็นกายคิศชั้นสูง และเป็นกายคิดที่มีศีลธรรมสูงด้วยนี่ยแต่ท่านก็ไม่ได้มาทรงคําเรื่องแล้วนะระวังพวกที่จะแอบอ้างชื่อท่านหา ก, กินหลอกลวงชาวบ้านยังมีเยอะทีเดียวระวังพวกนี้ยผมเึยบอกว่าในกรณีลูกทรงนี่อะร้อยในร้อยลายนะ่ะมีจริงเพียงสองลายอีกเก้าสิบแปดลายนะ่ะฮิปโนไทป์บ้างหลอกเขากินบ้างส่งเขากินบ้างไม่ไม่ส่งเขากินก็ฮิปโนไทยตัวเองหลอกเนี่ยจะมีจริงเพียงสองลายสองกรณีอันนี้เราก็ต้องฟังหูไว้หูต้องพิจารณานา น, า น, า น, าน แล้วทางที่ดีจะรู้จริงหรือหลอกก็ต้องรับไปเรียนวิชาธรรมการจากวัดปากน้ามาตอนนี้นั่งดูใครทรงก็จับจับได้แล้วเอามาแก้หรือหมาจริงวิชาธรรมการแล้วเพาวัดปากน้ําเนี่ยเป็นวิชาที่ติดต่อกระพูกกายทิพได้เลยเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นประ จ, จักษ์กติ ท, ที่ด้วยถ้าไปเรียนสาเร็จมาแล้วนั่งธรรมกายเข้าเห็นวิญญาณเดือดาเข้ากาลังทรงอยู่เห็นหรืเดียวจะมีวิญญาณจริงมาเข้าหรือเปล่าหรือว่าหมอนี่มันหลอกเนี่ยเห็นทีเดี่าถ้าธรรมจริงก็เห็นรูปร่างมาเป็นหญ้งเป็นชายเห็นหีเดียวเนี่ย เระฉะนั้นการจะพิสูจน์รุ่งทรงนี้ติดต่อพวกกายทิศเวลานี้มีทางติดต่อได้ง่ายที่สุดคือไปเรียนวิชาธรรมกายแล้วเราก็เห็นเด็ดขาตัวเองใครมาโกหกเราไม่ได้นั่งปุ๊บเห็นปั๊บเลยนี่วิชาธรรมกายนะครับต้องเรียนให้จริงและทำให้ได้นะนี่นนนนอท่านเมตตาพลโลภิกษุถามมาว่าที่ว่าอวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทําลายต้นเหตุให้เกิดนี้ ส่วนศาสนาอื่นเขาสอนให้บูชาพระเจ้าสุสร้างให้เกิดมองกันแล้วจะเห็นว่าศาสนาพุทธมิสอนให้เป็นคนขาดกระตันอยู่อจะแก้เขาอย่างไรถ้าหากว่าผู้เป็นต้นเหตุให้เราเกิดมาสุขสบายไม่มีชาติตุกชราทุกบรรณะทุกโศกับปริเทวะทุ ก, กโธมนาตอุปาญาตไม่มีโรคติดต่อไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีภูเขาไประเบิดไม่มียุงกัดไม่มีสารพัดโรคสารพัดภัย เกิดมาก็สุด ข, ขาลงตั้งแต่ต้นจนตายก่อนหน้าละครับที่จะอ่อนวอนกราบไหวน่าจะแสดงความกตัญญูกตวเวทีตาต่อท่านผู้สร้างแต่ทว่าตรงนั้นข้ามนี่สร้างมาแล้วไมสร้างมาดีนี่สร้างมาให้พุกนี่ชาติพิพุกชาราพกุกบรารณะพกุกพยาพิพกุกร้อยแปดพประการอ่าอยู่ดีๆก็แผ่นดินไหวอยู่ดีๆก็โรคระบาดมาอ่าอยู่ดีๆก็เย็นก็ร้อนก็หนาวก็ฝนนี่ไม่สม่ำเสมอ ไอ้ที่ร้อนก็ร้อนตายไที่หนาวก็หนาวตายที่เย็นก็เย็นตายไอ้ที่กันดานน้าก็ไม่มีน้าจะกินเลยต้องขุดน้ําบาดานหาการทะเยอทะแย่ไอ้ที่มีน้ําก็มากจนหัวตัวก็ทําน้ําท่วมตายอย่างนี้เราจะไปกันบรรยูได้ลงคอได้ยังไงล่ะครับกันบรรยูไม่ได้หรอกแบบเนี้ทรงทำลายเพราะนั้นผู้เจ้าสำนักจึงสอนให้ทำลายต้นเหตุคืออวิชชาพ อ, องเดี๋ยวอาปาให้เราฟุกเดี๋ยวเดเอะอาตมาขอขัดจังหวะสักหน่อยขอถามปัญหาแต่สองขอ้อครับ คือเมื่อคืนก่อนนี่เคยเอาไปให้แล้วเร า, มารไม่ทราบว่าจะติงอาจารย์จะเขียนหรือเปล่าตับ เ, เ, เกี่ยวกับเรื่องการเกิดของคนเนี่ยค <c oughs> ือตามปกติแล้วตับที่เกิดในครรภ์นะ <c oughs> จะต้องอาศัยการ เ, าเรียกว่าใช้เอาเชื้อของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยไปผสมกแล้วจะเกิดขึ้นเป็นร่างกายได้อย่างนั้นใช่ไหใช่ครับในปัญจโอการ าา ต, าตามชราพุชา่ากมัมเิดอย่างนั้นตอนี้ตามเรื่องราวของพระโพชา่าเนี่ยเรื่องสุวรรณสามชาดกปรากฏว่าบิดากับมารดาของสุวรรณสามนี่มาเดทําการร่วมสังวาสกันเพียงแต่เอามือลูบท้องนี่เกิดตั้งครรภ์แล้วเกิดเป็นสุวรรณสามขึ้นมาได้อันนี้เรื่องเลี่ยอาจพอที่เราจะเชื่อถือกันได้ไหมว่าเป็นความจริงเรื่องชาดกนี่นะครับท่านต้องทำความเข้าใจหน่อยนะฮะเป็นเรื่องที่คนภายหลังเพิ่มเติมมาก็เยอะข้อความ ข้อความรายละเอียดนะถ้พ่อตัวคาถาแท้ๆเราชื่อวิญพุทธพาสิตตัวคถาตอนนี้ในในทาบทกสมบแปิไทยเนี่ยแปลเอาอัจฉมามามากลุ่มด้วยมากรูเข้าไปขยายความเป็นแนวอัจฉริยะทบายในชาชาประจักษ์คถาแต่งโดยพุทธคุรศาสารย์ในสมัยศักรวรรดิกาอย่างนั้นก็เรื่องราวในเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเรานี่ก็เอาความแน่นอนเลยไม่ได้ได้สิครับเอาความแน่นอนจากบาลีชั้นไตรปิฎกชั้นหนึ่งก่อน แล้วก็ออกดูขนาดจักถานข้ อ, อนี้แหละทําห้พุทธศาสนาเป็นเด่นเหนือศ า, าสนาอื่นเพราะว่าในพุทธศาสนาเรานิยมไม่แค่ปัญญาพิจรารณาไม่ต้องเชื่อดาว่วดตามคำทีไปแต่ส่วนศาสนาอื่นน่ะใครไปสงสัยแค่เดียวไม่ได้บอกว่าพระเจ้าจะเอาลงนรกต้องเชื่อพระพุทธคือทางพุทเราพระพุทธเจ้าบอกว่าแม้แต่คําสอนพระองค์ก็อย่าพึ่งเชื่ออันนี้แหละเยี่ยมมาเข้าเป็นหลักเหตุผลในนักวิทยาศาสตร์ยอมรับข้อ น, นี้อะเพราะในการศึกาวิชาศาสนาเนีเราต้องใช้ปัญ ญ, ญา ไอ้สิหลัวหลัวเกินๆล้วก็รู้นี่เป็นอัจฉริยะนี่อยในตัวรสามชาบกเนี่ยข้อความในตัวคาถาเป็นพุทธพจน์ไอข้อความทบอกเอามือรูปพอตั้งคันเนี่ยเป็นมรดิของอัจฉริยะู้ขมาสมัยตวริษาก็แสดงว่าเชื่อไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับเอามือรูปพอไม่ใช่จะเชื่อได้ไม่เชื่อไม่ได้แล้วแต่เราะถ้าเราสมัยจะเชื่อถ้าอภินิหารแล้วก็เชื่อได้บอกเป็นอภินิหารก็เชื่อไปนะฮะอภินิหาร แต่ถ้าเราไม่เชื่อวิริหาเนออหรืวีสัยก็ไม่แปลก็ไม่แปลผู้ศาสนาก็ไม่กระถือนไม่เชื่อก็แล้วไป<ๆ>เพียงไม่เชื่อแค่นี้ผู้ศักด์นาไม่เจ็บร้อนอะไรนี่แล้วถ้เกิด <c oughs> คนอื่นเข้ามาถามเนให้เราแล้ว ก, <c oughs> ก็บอกว่าตอบอกว่าข้อนี้เป็นเรื่องอาถรรพอาจารย์ท่นานรับขยายความแล้วเราเอเพิ่มมาอ้ ข, ข้อนึงบอกว่านี่แหละจะเห็นข้อประเสริฐในผูษษ้ศาสนาคำพีในผู้ศาสนาไม่มีข้อห้ามที่ไม่ให้คนสงสยัยยิ่งสงสยัยยิ่งดียิ่งซักมากจะยิ่งเจ็ยิ่งจันทร์แจ่มาก ผิดกระสับกราฝ่ายเทวะนิยมกรสักระาฝ่ า, ายเทวะนิยมอ่ะห้ามแคลงสงสัสยตั้งแต่หน้าแรกเลยถ้าคลุ้นสงสายถัอว่าเป็นบาปปัง <Yeah. S 1> เอาล ะ, อ, ะอดใจแล้ยังมีอีกข้อหนึ่งถ้เาเกี่ยวกับเรื่องพระอริยบุคคลเนี่ยพระอริยบุคคลชั้นประสดาบันเคยปรากฏว่าในเมื่อตายจากโลกมนุษย์แล้วไปตัวบายภูมิบ้างหรือไม่ไม่ไปไม่เคยปลาจดเลย อ่ะหมดแล้ว<ม>อภัยทุนปิดครับผลกรรมที่ไม่ดีกระทามาในชาติก่อนๆก็ตามสนองไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมไม่ไปแล้วถ้าจะไปสนองก็เป็นสนองในสวัสดิการไม่สนองในปฏิปุณทิการครับท่านไม่ไม่โสดาปฏิมักนาห้ามอปัยะธรรมนิยะห้ามเด็ดขาดแล้วถ้าจะสนอง ผลอกุณลักษณะที่ทามาก่อนที่จะเป็นโสดาเนะ่ยถ้าจะสนองตัวสนองในประวัติการไม่สนองในปฏิสนธิการฮะบนครับอ่ามีเพื่อนเดี๋ยวเดวครับข้างท่านถา้ า, ถา ม, มีเพื่อนป่าถ้ามิีถามมาอีกท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพระเจ้าที่อาจารย์ตะเสียนได้บรรยายไปเ ม, รร ม, รรมื่อกี้เนี่ยคือท่านถามว่าเรื่องพระเจ้ 9, าก็ทราบแล้วครับเยซูเป็นลูกของใคร แม่ของพระเยซูนั้นเดิมชื่ออะไรและพ่อชื่ออะไรเกิดที่ไหนเอ๊ปัญหาเรื่องนี้มีคนคอยอ่านหนังสือเรื่องนี้ผมว่ากันแล้วกันนะฮะท่านจะรู้รุ่มดีเลื่อนั้นแหละของอิงโกโซนเน่ยว่ า, าเลื่อนั้นก็แล้วกันนะครับอ่าที่ของอรตมาธรมร <บน S 2> ุกโนอา <laughs> ตมาขอเรียนถามถ้ากว่ามีคนนอกาศาสนาเขาว่าในาศาสนาเชนมีการ บ, บังเพนระบา อ่าคือในศาสนาพูดข้องเราว่าเกิดที่ไหนให้ดับตรง น, นั้นทีนี้คนนอกศาสนาเพราะว่าในศาสนาเป็นพวกโยคีจันทร์มีการมาเป็นตะบะทําลายองค์กำเนิดอย่างนั้นเขาจะไปได้ทิ่ฐานไหม่อาองค์กาเนิดนะไม่ใช่บอกเกิดของทุกมันยังตายมันเป็นรนปนูปขันนะฮะทางพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้วาดทำลายรูปขันด้วยนามขันให้กำหนดรู้นามรูป สตำรวจรูกการละทุกนะ้าไม่ใช่ละที่ตัวทุกตลยครับต้องละที่สมุทัยเหตุเกิดของทุกคือกิเลสปัญหาเพราะฉนั้นศาสนาเชนในธรรมะองค์กําหนดเนี่เป็นการละทุกผิดที่เข้าใจแล้วแต่ว่าขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายต่อไปอีกว่าแล้วเวกโยคีนเนี่ยมีการบําเพ็ญศีลอย่างนั้นบริสุทธิ์อย่างนั้นบําเพ็ญอย่างนั้นเขาะจะได้ อาสวรรค์เป็นอย่างน้อยก็ได้ไหมถ้าหากว่าเขาบันเทิงจนถึงที่สุดไม่ถึงนิป่าได้ที่ครัอย่าว่าแต่สวรรค์เลยคือมาลกก็ยังไปเพราะฉะนั้นนี่แหละจะเห็นความยุติธรรมในพุทธศาสนาเร า, าศาสนาฝ่ายเทวานิยมน่ะเขามีข้อแม้อย่างนี้นะครับอาเขาบอกว่าแกจะเป็นใครก็ช่างถ้าแจไม่เครารพพระเจ้าของฉันไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพระเจ้าของฉันแม้ตลอดชีวิตนี้จะเป็นคนดีมีศีลธรรมทําแต่ความดีมาแล้วสกสวรรค์ ตัดินกับเราตรงนี้แหละตัดสินว่นาแกนับถือพระเจ้าฉันหรือเปล่าปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้าฉันหรือเปล่าถ้าปฏิบัติตามแล้วก็ถึงแม้แกจะเป็นคนชั่อในวัฒนธรรมศ า, าก็ล้างบาปให้แกได้ยกบาปให้แกไปขึ้นสวรรค์ตอนนี้พกวกเรานะ่ะรับไม่ได้พูดเข้าห้างตัวเองเอาแตได้พูดเราพูดกลางๆเพราะว่าใครก็ตามถ้าปฏิบัติตามธรรมะธรรมะ น, นี้ก็ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะในพุ้ธศาสนานี่ยธรรมะเป็นของกลางๆในโลกปฏิบัติตาม ผู้นั้นก็ไปสู่สุคติตามชัดชัม่มฟูทั้งตัวอย่างเช่นพวกโยคีภายนอกศาสนาอย่างนี้่เขาทําฌานสมาบัติอันเป็นโยคีฌานได้เขาก็ไปพม่าโลกสิครับไปสู่สุคตินี่หรือไม่ใช่โยคีก็ตามผู้ที่คนธรรมดาเป็นผดังมังค่าที่มาเนื้อถือพุทธก็เถอะถ้าเขามีศีลธรรมอยู่ในศีลห้าบริจาคทานสร้างโรงพยาบาลเอ่ยตั้มูลนิธิสงเคราะห์คนสุขภาพยากจนต่างๆเอ่ยถึงตายไปเขาไม่เนื้เขาม่นื้อนื้ถือพุทธนะฮะถึงเขาตายไป ก็ไปสวรค์นี่พุทธเราตัดสินตรงที่กรรมไม่ใช่ตัสินอุทิศถือหรือใน่ัุทิศตัดสินตรงที่กรรมว่าแะทํารําอะไรมาก็ตามแกนั่งนับถือศาสนาอะไรก็ช่างถ้าแกทาดีแล้วแกก็ไปสู่สุคติแกนับถือศาสนาอะไรก็ช่างถ้าแกทำชั่วแล้วแกก็ไปอบายไม่ใช่ตัดสินตรงที่ว่าถ้าแกเป็นพุทแล้วต่อให้ทําความชั่วฉันก็รังหมาให้แกได้ถ้าแกไม่ใชถือพุทธแล้วถ้าแนไปทําความดีทันก็เจงกระจุกกระจล่ะอย่างศาสนาฝ่ายเทวานิยมเขา เราไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้แหละเป็นจุดเด่นในพิทธศาสนาปรสิทธิกันที่กรรมพุทธเจ้าจะบอกว่าตถาคตเป็นวิริยะวาทะกล่าวว่าความเพียนมีเป็นกรรมวาทะกล่าวว่าการกระทํามีแบบอย่างนี้แล้วก็จากกาัก ร, จรกัศปะไอเจริญกัศปะว่าดู ก, กรกัศปะอรัฐธรรมคําำคำสอนของสมณพรารม์บางเหล่าภายนอกศาสนาที่ตรงกันได้กับคําสอนของเราก็มีที่ไม่ตรงกันก็มี ตอนอย่างนี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้ฉนายตถาคตจากตำหนิเองบำเพ็ญตบะไปเสียตะทิษเหล่าตถาคตเห็นเดชทิพย์จักสุอันร่วงจักสุฝามันในชนว่าฤาสีบางเหล่าน่ะบำเพ็ญตบะไปแล้วท่านทําการกิริยาเข้าไปสู่สุกติโลกสวรรค์ก็มีฤาสีบางเหล่าบำเพ็ญตบะทำลายทําการกิริยาไปแล้วก็ไปสู่ทุกติก็มีเมื่อเป็นเช่นนี้ฉนายตถาคตจึงจะกล่าวตำหนิการบำเพ็ญตบะ อย่างตะพุทธตะพื้นไปที่ถ่ายเดียวไม่ได้นี่อันนี้แหะครับเป็นแสดงจุดเด่นในพุทธศาสนาของเรามาเดี๋วัดคนหรือตัดสินคนกลงที่หวานักถือไม่นับถือเกลื่อที่กรรมแต่ว่าสำหรับเรเื่องนิพพานแล้วต้องมีข้อยกเล่นนะหรือนิพพานนะขับไปปฏิบัติธรรมภายนอกจากธรรมพุทธศาสนาและปฏินิพพานไม่ได้พระถามต่อไปเอกว่าได้อย่างานั้นทะหนายพระพุทธเจ้า จ, าจึงตรัสว่าอัตตะอิวถานโยโคตุโกข่เล่า ทนายพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัตตาคิริษานิโยโคโทุกข์ของเรา อ, อ้าอที่ว่าอัตตากิลมาทฐานิโยโคโ ก, กับการมาสุธาริกรานิโยโคโนี่นะก็เพราะเหตุที่ว่าขุทางที่จะปฏิบัติไปสู่ความค้นทุกชนิดที่ต้องไม่ต้องไปทําอย่างนั้นน่ะแล้วก็ได้ผลด้วยดีอยู่จึงได้ตรัสตนิเอียงสุนยสองข้างคือฝ่ายทุกรัชจิรยากต่ฝ่ายมั่วหมูมั่วมั่วสมในกาง ว่าไม่จะไม่ใช่เป็นทางตรงไม่จะเป็นทางถึงเลยไปแล้วก็ไป อ, อ้อมไปโคตรไปเสียเวลาแล้วก็ไม่ถึงนิพพานตสองอันนี้ก็ไม่ถึงนิพพานต่างหากนะครับท่านไม่ได้ก็มีว่าของอันนี้นะห้ามห้ามสวรรค์ห้ามา ม, า ม, มนุษย์ไม่ได้ไม่ได้ห้ามอย่างนั้นแต่บอกว่าสองอันนี้ทําไปแล้วไม่ถึงนิพพานเพราะนั้นการจะถึงนิพพานนะต้องทําตามมัชแ8ในพุกศาสนาที่จะถึงนิพพานถ้าไปทําตามธรรมะนอกศาสนาที่ในศาสนาพรามอย่างมากก็ไปแค่โลเคชานเข้ามาโลก เรียกว่าสัญญาณาสัญญาภพเท่า<ก>นี้เองนะครับที่ตำหนิตำหนิเพราะอย่างนี้ว่าทั้งสองทางน่ะไม่ไปถึงที่สุดขอ ง, งทุกจรเท่านั้นเองครับขอบใจอาตมาเข้าใจดีละขอ<ท><ก>ขอบใจ ท, <ก>ท่านอาจารย์ท่านท่านผู้หนึ่งถามมานะครับท่านจารุวันโนภิกขุถามมาว่า มีคำโบราณกล่าวไว้ว่าบิดามารด า, า, ามีมารยาทเรียบร้อยพูดจาอ่อนหวานบุตรก็มีมารยาทเรียบร้อยพูดจาอ่อนหวานถ้าบิดามารดามีมารยาทไม่ดีพูดจาหยาบคายบุตรก็มีมารยาทไม่ดีพูดจาหยาบคายไปด้วยอที่อธิบายว่าบุตรมีนิสายสันดานมาจากอดีตจะไม่ผิดกับคำโบราณไปหรือคํานี้ไม่จริงนะครับคําที่ว่าพ่อแม่พูดจาอ่อนหวานลูกก็อ่อนหวานใครทำน่ะไม่จริงเสมอไปเรื่องอ่อนหวานหรือไม่อ่อนหวานน่ะเป็นเรื่องดัดกันได้ดัดกันนะ ดักกันในปัจจุบันเรื่องสิ่งแวดล้อมไงผมต้อบอกเกี่ยวสิ่งแวดล้อมเรื่องสันดานไม่ใช่เรื่องสิ่งแวดล้อมเลยไมนเรื่องสันดานกับมารยาทอ่อนหวานเนี่ยเรื่องอ่อนหวานเป็นเรื่องกายกรรมวจีกรรมไม่ใช่มโนกรรมสันดานไมนเรื่องมโนกรรมอย่ามาปนกันครับคนละอย่างเลยอท่านเจ้าอธิการทวีถามมาว่ารูปปั้นกีรกเกิดขึ้นจากน้ําเชื้อของพ่อแม่นั้นรูปที่เกิดขึ้นมาก่อนหรือ หรือว่านามนจิตเข้ามาเกิดก่อนอยู่แล้วและทั้งรูกทั้งนามนี้มีเหตุผลมาร่วมกันได้อย่างไรเกิดพร้อมกันเลยไม่ก่อนไม่หลังสเสรอมาตัวสัวของชายตัวใดที่ไม่ตายเมื่อผสมกับไข่ของผู้หญิงแล้วเมื่อชีวิตตั้งขึ้นในปสมกันละขณะนั่นแลปะปฐติส่วที่อิญญาณก็อย่างลงพร้อมกันไม่ก่อนไม่หลังจังหวะพอดีพอดีนะ หนึ่งท่านสุเมโตะพิขุถามมาว่าอาตมาอยากทราบว่าพระเทวทัตเมื่ออดีตชาติต้อชอบแต่จะทํากรรมชั่วและยังเป็นปรปักษ์กับพระโพธิสัตว์อีกแต่ทําไมเกิดมาเป็นคนมั่งมีและมีความสบายอีกด้วยสองอยากทราบว่าพังพรนกับงูเหา่าเป็นศัตรูกันเรื่องอะไรและเป็นมาอย่างไรข้อสองนี้ท่านจะไม่ทาบนะครับไ ม, ไม่เคยปรากฏในตํานาพุทธศาสนา เท่าที่ค้นคว้ามหมาไม่มีทํานานว่าเล่าว่าพังพรังงูห่านะ่ะเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะฮะต้องไปถามนักต้องไปศึกษาทางนักาศักรวิทยาอาจจะทราบบางกัง บ, บางครับสําหรับข้อแรกนะ่ะพระเทวทัพแกไม่ทําความชั่วสเสมอไปทุกทุกชาตินะครับถ้าแกทําความชั่วแล้วปฏิชนทิศองคเทวทัพนะ่ะเป็นไตรเหตุกากปฏิชนที่บุคคลนนะะเทวทัพเนี่ย ไม่เช่ น, นั้นแล้วจะทําฌานสมาบัติได้อย่างไรติเหตุตาปฏปิสนธิบุคคลพระเทวทัตไม่ชัทวิเศษไม่ชัเอกเหตุแต่เป็นไตรเหตุพวกที่เป็นไตรเหตุปฏปิสนธิน่ะพวกนั้นทําฌานสมาบัติก็ได้ทำมะทาผลก็ได้พระเทวทัตนะ่ะแต่เป็นไตรเหตุปฏิสนธิบุคคลที่แกเป็นไตรเหตุนะ่ะเพราะว่าในภูเรชาติแกไม่ได้ทำความชั่วหมดตั้งตั้งร้อยชาติตั้งพันชาติ ทำความดีก็มีเบางชาติเกิดเป็นฤาษีบางเป็อภิน ญ, ญาก็มีพระเทวทัพนี่แหละเพราะฉะนั้นอดีตกรรมอันเป็นฝ่ายกุศลจึงพามาประสิทธชนที่ในราชสกุลมีความสบายนี่และอดีตกรรมอันเป็นฝ่ายอากุศลก็มาบรรดาในเกิดจิตชั่วอิจฉาริษยาพระพุทโธเข้านี่มันไม่รู้อดีตกรรมครับอันนี้ครับไม่ใช่เกิดแต่เกิดโดยฝ่ายชั่วฝ่ายเดียว ท่านกิตติสารูปิขุถามมาว่าเรื่องของปฏิสุนธิวิญญาณที่เข้าไปปฏิสุนธิญญอยู่ในท้องของมารดานั้นปฏิสนุนทิวิญญาณจะเข้าไปทางทางไหนอ่าหมายถึงเข้าไปอยู่ในน้ํากระละของบิดามารดาเปลีนอย่างนี้ครับขีบใบหนึ่งไว้ของที่ท่านรู้ไว้ของนะและท่านส่งความคิดกับนายหีบนั้นนะ่ะความคิดท่านเข้าทางไหน หรือห้องกุฏิท่านใส่กลั้นกุญแจโตัวท่านออกุาสลักข้างนอกแล้วท่านส่งใจเข้าไปในกุติท่านที่ลั่กุญแจนะ่ะความกระแสความคิด ท, ท่านเข้าช่องไหนกำแพงไหนปฏิสุธิวิ ญ, ญญาณเข้าอย่างนั้นน่ <c oughs> <c oughs> ปะปฏิสุธิวิญญาณไม่มีโทสะมาจำกัดเข้าทั้งไหนได้ทั้งนั้นทะลุโ ป, ร, ปร่งหมดไม่มีอะไรตองต้องมีแบบกเป็นช่องเป็นแนวที่เข่าไม่ตอกเหมือนความคิดเราส่งเข้าไปในถีบในห้อง ในหอท่านเจ้าอาธิการปัจุบันถามมานะครับอาตมาสงสัยในคําพูดว่าสันดาลเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์มาละไม่ได้หรือละได้ยากดังนี้คําว่าสันดาลในที่นี้อาตมาเข้าใจว่าจริตทั้งหกประการจะถูกหรือผิดอธิบายให้ทราบด้วยถูกครับเกี่ยวกับจริตครับและสันดาลมันไม่ใช่วรรคไม่ได้นะครับละได้ละไม่ได้ถ้ารักกัละไม่ได้สิละอาสวะไม่ได้ละได้ไม่ใช่ละไม่ได้ แต่การจะล่าสั้นดาลเนี่ยจะต้องอบรมมัดอย่างสูงเพราะฉะนั้นในครั้งพุตธกาลน่ะผู้ที่เป็นอริยะบุคคลจริงมีมากกว่าปัจจุบันทำไมถึงอย่างนั้นเพราะสมัยพุทธ ก, กาลน่ะได้อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นช่วยพุทธเจา้าเนี่ยอาศัยกำลังจิตท่าน่ช่วยเราเราเราไปตั้งตั้งทงพุทธเจา้าเนี่ยพราะพุทธเจา้าแบ่งกําลังจิตมาเข้าตัวเราตั้งหลอกตั้งหาสิบหกสิบด้ซนตัเราในส่วนช่วยด้วยกำลังจิตพุทธเจ้าที่ส่งกระแสามาเข้าตัวก็ช่วยด้วย เดี๋ยพุทธาดูภาพผสมกันนะเราถึงเป็นสมาธิฟังธรรมบรรลุเพราะฟังธรรมฟังเช้าเย็นบรรลุฟังเยนพรุงนี้บรรลุอ้วดในตรงนั้นแต่ในปัจจุบันฟังเท่ก็ตั้งหัวดัำหัวหงอกไม่บรรลุผู้เท่ก็ไม่ได้บรรลุฟังคนฟังก็ไม่ได้บรรลุเพราะอะไรเพราะทั้งผู้เท่ผู้ฟังเองก็ยังมีกิเลสเหมือนกันไม่มีอํานาจจิตก็ไม่มีอนุภาพก็ไม่เกิดคนที่มีกระแสจิตสูงน่ะไม่ต้องคุงที่จะเจ้าหรอก พวกโลคีในอินเดียที่ได้โลคีอาชาลชั้นต่ำนะมันจะมันจะชั้นไม่นจะชั้นอาราามณ์ชาลเลยซ้ําชั้นต่ําๆเพียงแต่เราเข้าเ ข, ข้าใกล้เนี่ยแม้ยังเดินสบายเลยอวลามีอารมณ์ขุนมัวในใจมีความทุกเนี่ยพอเข้าใกล้คนที่เขาเดชชาลควาวมทุกข์กขายไปไหนหมดไม่ทำนี่เขาจะพูดให้เราฟังไม่ทำนี่ก็จะชี้แจงสั่งสอนอะไรเราฝึกเป็นฝึกแล้วนี่อยู่ว่าลักษณ์นี้ในตวงเข้าเนี่ยดึงบุตัวเรา ถ้าจะว่าไปล้ ก, ก็คือจิตตาลูภาพจิตตาลูภาพอันเกิดจากความสงบระงับจากมีอันห้าเนี่ยแรงดุจเทีงทยงนี้สามารถปล่อยกระแสะออกมาดึงดูดในตัวเราซึ่งเป็นคนมีเกิเลสเต็งแปรเนี่ยให้รู้สึกความสงบระงับนี่โวคีนอกศาสนา ย, ยัางเป็นได้อย่างนี้ปัจจุบันนี่ไม่ต้องดูอิ่นไกลปัจจุบันนี้ยังมีอยู่นี่เจ้าปวยกล่าวไปยัยศับสมัยพุทธการลพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านหมดกยเลสอาสวะแล้ว เพราะนั้นคนที่พอเข้าไปพุทธเจ้าไม่ทันจะฟังให้องค์เพจแล้วพอเห็นเขาพักเข้านี่สบายแล้วไอ้ความทุกข์แความกุมใจเคยมีมามันหายหน้ไปไหนหมดการในสมาธิอย่างแปลกประหลาดเข้าใจพุทธเจ้าในจารีนสมาธิแล้วพอพุทธเจ้าตั้งเขาไถสอนเราเนี่ยพระองค์ได้แผ่กระแสจิตมาเข้าตัวเราชาร์เอเนร์จี้เข้าตัวเราพุทธเจา้าต่อเอเนร์จี้จากพระ อ, องค์เนี่ยแบ่งเข้าตัวเราตัวเรามือนบ่อแบตรี่ พุทธานุภาพไม่เอ็นดีชาร์จเข้ามาเข้าวหม้มข้าวหม้แบตเตอรี่อันนี้ให้สมอแบตเตอรี่นี่มีพลังงานใช่ไหมาชาร์จเข้าตัวเราแหละในขณะนั้นน่ะยิ้นมีพร้อมสมาธิพร้อมปัญญาพร้อมถึงสมาธิปัญญาสมัยยึดเป็นเอากาศมังคีในขณะนั้นพอเท่จบเป็นอรหาัานเลยเป็นโสดาอย่างต่ำํำนี่เป็นกันง่ายๆอย่างนี้ที่เป็นอย่างนี้เพราะพุทธานุภาพช่วยเราตั้งขึ้นข้อเลยตัวเราช่วยตัวเราเองบ้าง พุทธานุภาพช่วยหลวพอผมมาช่วยเราตั้งเยอะแยไอ้ข้อนี้แะครับที่ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมคนพิศรรการจึงบรรลุกันง่ายนะตอกก็บรรลุทีกระพันที่จะ น, นุ๋มแม่มันง่าย่อกข้เข้าปากังคาถาเป็นคาถาเด็กก็บุรลุกไปอาหารล่ะก็ม่นง่ายอย่างนี้นะอ๋อที่บรรลุ ก, กันง่ายงาเนี่ยเพราะพุทธานุภาพแล้นะติดต่อกระแสข่าตัวเรานะเราไม่เคยมีสมาธิแต่พระองค์ก็ช่วยเรามีสมาธิเราไม่เคยมีปัญญาพระองค์ก็ช่วยให้เรามีปัญญานี่ในขณะที่เราตั้งใจฟังธรรมเราก็มีสีพร้อมอนกันในขณะนั้น การทีส่สิ่งเกิดตัวจริสเจริญไม่มีแล้วตอนนี้อมโนุสิจริจะเกิดขึ้นน่ะกระใสจีพระ อ, องค์ช่วยเขาแล้วเราก็มนิเพราะเหตุนั้นแหละจึงได้มีภาคิตว่าการเกิดเป็นมนุษย์ียากการเตกการเกิดเป็นมนุษย์แล้วในดรทำสมัยพุทธเจ้าอุบาทก็ยากคั่นทำสมัยพุทธเจ้าอุบาทแล้วได้ทาร า, า, า, ท า, ร า, าพระ อ, องค์ได้ฟังธรรมพระ อ, องค์ก็ยิ่งยากใหญ่ที่ยากใหญ่เนะนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นใครเมาไม่โอกาสเกตกทนพุทธเจ้า ฟังธมพระพุเจ้าแล้วน้อยคนที่จะม่เดาบรรลุอริยธรรมน้อยนักหนาเนี่เหตเพราพวกขามุภาพเข้าไปช่วยพลเรียนอิเดียเนี่ยนี่ข้าวุฒิ迦นะครับในรายปัจจุบันในอินเดียรามเกสษนะหรือศรีรามเกสษนะในศาสนาหินดูเข้าอะคนระมานี่ร้อยกว่าปีมัเนี่ยรามเกสชนะเนี่ยถ้ามองดูโดยสายตาท้างนอกให้เขาคนบ้าผมเผ่าลุงลางเสื้อแสงในสายสายแตงจงประเบนขาดถือหนึ่ง ให้เขาคนบ้าแต่กระแสดจิต แ, แหม่างกล้ามากทันหนี้ได้อลุกกระชากแปลงกล้าอ่าวันหนึ่งมีนักเรียนมหาวิทยาลัยพนมสีชื่อว่าเวกามนใคาก็เล่าเือบอกว่าทัานหุนี้นะ่ะร่างกิตชนะเนี่ยเป็นผู้บรรลุเป็นมืคีที่ได้บรรลุแล้วเวการณ์มนอยากจะลองดีว่าบรรลุอะไรกันคนลวงโลกสิบรรลุเวกามนไม่เชื่อไม่เชื่อลองสวรรค์เทวดาลูก อ, อำนาจจิตไม่เชื่อหมดอยากจะเป็นท้าทาย อิสริสิคนนี้ซะหน่อยเนาะรู้ว่าฤาษีองค์นี้มานั่งอยู่ที่บริเวณใกล้ๆมหาวิทยาลัยวิริยการลุงก็ปราศมาใจเป็นนักเรียวิทยาศาสตร์ต้องการจะมาลองภูมิกับฤาษีองค์นี้หน่อยพอมาถึงบอกว่าพอขึ้นตัวแล้วเองอะความรู้สึกนี้ตรุ่มนานไปหมดเลยมีอํานาจกระแสะอันหนึ่งแล่นมาจากตัวรามกฤษณะเข้าตัวเองนะในขณะนั้นตัวเองก็เข้าสมาธิทันทีวิริยการลุงน่นมีในอำนาจขอระวังตกในอํานาจของสมาธิอย่างลึกซึ้ง แล้วรามาจิตนาก็สั่งสอนทำเมราะสอนจบเวการ น, นบรรลุธรรมบรรลุฌานสมาบัตินี่ยนี่เรื่องข้อเท็จจริงในปัจจุบันเรื่องเมื่อสักหนึ่งศตรวตรรษล่วงแล้วมานี้เวลานี้รามาจิตนาได้ตั้งเป็นมูลนิธิที่ว่ารามาจิตนามีชั้นลูกศิษย์งามาจิตนาตั้งขิ้ในอินเดียเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่ากตะแสจิตของบุคคลเนี่ยช่วยทําให้บุคคลอีกคนหนึ่ง ให้เข้ามาเข้าถึงกระแสธรรมได้อย่างไรเนี่เนี่รามคืษชนะเองนะยังเป็นอย่างนี้จะป่วยก่าวบยาย จ, จากพระพุทธเจ้าอะไรครับท่านอันนี้เคยเจอปัญหาอยู่บ่อยว่าคนที่ไม่เคยทําบุญและทําบาปจะมีทติไปอย่างไรคนที่เคยทําบุญและทําบาป ไ, ไม่เคยเลยไม่เคยทําบุญก็ไม่เคยแล้วก็ทําบาปก็ไม่เคยก็มีอย่างคนเะเคยเดือดร้อาหารสิครับก็อยาจะมีบุญลอยบาปได้อันนั้นก็ก็สแสดงว่าทําบุญมาก่อนแล้ว เดี๋ยวนี้มีคนที่ไม่เคยทาบนญหย่างมช่นว่าเด็กที่เกิดใหม่ๆนี่แล้วก็มาอยู่ได้สองวันแล้วก็ออกตายถูกแล้วเขาไม่ได้ทําบุญทําบาปในชาติใหม่ก็จริงแต่เ้าเคยทําบุญทาบาปในชาติก่อนฝังอยู่ในใจเขาแล้วที่ทําฝังอยู่แล้วก็ติดเขาไปเป็นไปอย่างไรบ้างอ๋อตายไปแล้วจะไปไปไหนก็นแล้วแต่คำวนาีนมิติทีนน่มิติในตอนที่เด็กคนนี้จะตายสิครับ ตั้มนี้จฉาตินี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนะครับถ้าเป็นกุศลก็ไปสู่สุคติอกุศลก็ทุกขติตอนนี้เกิดเกิดตายตัวตายตัวแทนนี่ก็เ็นในร่างกายเราไงล่ะก็มีชีวิตธนรเซนนะแต่ว่าตัวตายตัวแทนเซนในตัวเราเดี๋ยวนี้ก็เซนเมื่อเราเป็นเด็กทารกนะเปลี่ยนหมดแล้วชุดเก่าตายไปหมดแล้วตัวน้เป็นตัวใหม่นะตัวเราตอนนี้อานาจสติเนี่ยมันบางคณะสัญยา เธรรมะตินี้มันบังบังบางอันดิจังธรรมะตเนี่ยมันโตัวตายตัวแทนตัวมันตัวตายไปสิครับแล้วมันก็ก่อนจะตายมันก็มีโตัวแทนเกิดขึ้นมาใหม่โตัวตายตัวแทนไอ้ตัวตายตัวแทนที่เกิดขึ้นน่ะเกิดเพราะอำนาจโอชากับอาหารช่วยหล่อเลี้ยงมันไว้ท่านจตหปุญโยภิกขุถามมาว่าอาตมาอยากจะ ถามปัญหาสักหนึ่งข้อคำว่านิพานนั้นเป็นของที่พิสูจน์ได้ยากคือสภาพของนิพานนั้นกล่าวว่าโลกนี้ก็ไม่ใช่โลกหน้าก็ไม่ใช่ระหว่างโลกทั้งสองก็ไม่ใช่และนิพานก็ไม่มีนามรูปแล้วยังกล่าวว่านิพานเป็นสุขอย่างยิ่งอยากจะทราบว่าอะไรเป็นตัวสวยสุขของนิพานคําถามนี้ดีมากคําถามนี้เราจะเจอทั้งฝ่ายพุทเราก็สงสยัยไม่ใช่พุทธแตยิ่งสงสัยใหญ่ท่านอย่าได้สงสัยเลยว่นิพานน่ะไม่มีนิพานมี แต่ผมไปตอบท่านแล้วว่ามีอย่างโลกไม่มีความมีเขาไม่ทานใ น, นโลกไม่มีนะความมีอย่างโลกมีแ่ในนิทานไม่มีเพราะเหตุนั้นน่ะการที่จาอธิบายนิพานจะอธิบายได้สองในในรับในหนึ่งในพิเศษในหนึ่งในรับเช่นพุทธน์ที่กลัสบอกว่านิทานนังประมังทุขงังนิทานตนเป็นบรนมสุขนี่นี่เป็นในรัตในพิเศษก็อย่างที่ว่าไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้า ไม่ใช่ที่โน่นไม่ใช่ที่นี่ถ้าไม่ปฏิเสธอย่างนั้นเพราะถ้าไม่ปฏิเสธอย่างนั้นไม่ได้จะชื่ออะไรให้เห็นจะเอาอะไรมาเปรียกกับนิพพานจะเอาอะไรมาเปรียกอะไรกันในโลกก็ไม่ได้จะหยิบสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกมาเปรียกกับนิพพานก็ไม่ถูกเพราะไม่กล่าวมาแล้วว่าสิ่งที่โลกมีนิพพานไม่มีสิ่งที่นิพพานมีไอ้โลกมันก็ไม่มีมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้ามาไม่ปฏิเสธเสื้ออย่างนี้นะแล้วทีไปเอาอะไรมาอธิบายล่ะต่างคนตังไม่มีกันและกันอย่างเนี้ยมันก็มีทางในการอธิ มีทานนะไม่มีอย่างที่โลกมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างมี้ทั้งหมดที่ไม่มีนั่นแหละไม่ทานสิ่งที่ต้องค่าไม่ทั้งหมด น, น, นั่นแหละไม่านคล้าๆเขาคนนี้คนที่ไม่เคยกินกินหวานเลยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยจะคำว่ า, าหวานไปถามคนคนที่เขาเคยกินหวานมาแล้วบอกว่าออไอ้หวานนี่มันมีรสชาติอย่างไงกันอโอ้คุณปวดโถ่เลยคือมาถามวาหวานยังไงไม่เขากินหวานนะไม่เคยเอ๋อยาอธิบายความหวานนี่จะฟังเข้าใจไงดีอา้า ต่อที่บาลทางปฏิเสธสิหนาะนี่นะไม่ใช่รถเปียวไม่ใช่รถฝาดไม่ใช่รถเค็มไม่ใช่รถมันไม่ใช่ไม่ใช่รสจืดไม่ใช่รสานั่นหลรสหวานละ่ะรู้ไหมถามงี้นแแีนนแแ่นั่นแหละคือนั่นแหละคืนั่นแหละคือรถหวาน น, นี่นแแั่นหละคือรถหวานอธิบายอย่างงี้นี่ก็เมือนอย่างนี้แหละอธิบายทางกับอธิบายแนวนี้คือสิ่งที่ไม่พานมีนะโลกไม่มี ไอ้ข้ามสิงไอนิพานไอ้โลกนี้นิพานก็ไม่มีเพราะเห็นนั้นเมื่อเรายังไม่เข้าไปถึงนิพานแล้วตอนนี้เราตั้งคำถามว่านิพานคืออะไรพระองค์ก็จะอธิบายในทางปฏิเสธให้ฟังว่าไม่ใช่ทีโนดไม่ใช่ทีมิ่งไม่ใช่ยงโน่ไม่ใช่ยังงี้นั่นแหละคือนิพานสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแหละที่นิพานเหมือนกับว่าไอ้รสที่ตรงข้ามกับขมหวานเค็มสาดเจียวปลานั่นแหละคือรสหวานเนี่ยอธิบายงี้ แล้วเราก็ต้องรับรู้อาไว้ซะก่อนจนกว่าเมื่อไรเราไปกินรสหวานในตัวเองหึงรบกทอยางนี้เองนี้แหละนี่แหละนี่แหละนิทานนี่แหละรสหวานละนี่นี่นายาหนึ่งอีกนายาหนึ่งที่อธิบายในทางรัคือในคำที่ว่านิพานนางเปรมังสุขังถามว่านิทานมีนามรูปแลวอะไรปสมวนทุกข์คำว่าเปรมังสุขังนี่นะไม่ใช่เวทยิศศุกนะพระนิพานมีเวธนามีคันแล้ว คำว่าสุกไว้ที่นี้คือสุกอย่างที่ว่าไม่ต้องมีตัวสวยสุกเข้าใจไหมครับเพราะเหตุที่ว่าไม่มีตัวสวยสุกนั่นแหละมันคือบรมสุขถ้าตราบใดยังมีตัวยังอยากจะให้มีตัวเข้าไปสวยสุกนั่นมันช่บรมสุขนั่นยจะเป็นเวทนาสุขทุกทาเวทนายังใช้ไม่ได้เป็นเวทยุิศสุกยังใช่ไม่ได้เนี่ยว่าใชบรมสุข ที่ใช้คำว่าบรมสุขหนักเพราะมันไม่มีตัวที่จะไปสวยสุกมันจึงเป็นมรมบรมสุขบรมสุเในที่นี้นะเป็นเพียงแต่คำเปรียบเทยไม่ใช่ไม้อกอจะต้องมีตัวเข้าไปสวยไม่ใช่เป็นคําเปรียบเทยค้ายๆกับอย่างนี้คนที่ไม่เคยคนที่ไม่เคยละเลยนะฮะไม่เคยขึ้นมาทัศณาจอนบนบกสัตวอย่างปลาใน่นในใ น, ในทะเลเนี่ย ไม่เคยรู้ว่าบนบกน่ะมีอะไรเป่าตัวนึงเต่ากระตภามเป็นฝั่งสะเทินน้าจะเทินบกเที่ยวบนบกก็เที่ยวเที่ยวป่ารอบแล้วก็ลงลงนะปลาก็ไปถามเต่าบอกพี่เต่าบนบกน้ำเป็นยังไงกันนะพี่ต่าที่บานให้ฟังหน่อยสิเป่าก็อธิบายว่าโอ้บนบกน้ำมันดีอย่างนี้ดีอย่างนี้นะเนี่ยไม่มีอย่างที่ในน้ํามีนะเนี่ยปลาฟังก็มีเข้าใจไม่น่าเลยบนบกมันจะเป็นยังานได้ยังไงเนี่ยฉันใดเขามาบรมศึกก็เหมือนกันครับ บรมสุขไปที่นี่น่ะโปรดให้เข้าใจว่าเป็นคาเปรียบเปย์แค่นั้นเองเปรียบเทย์ว่าไม่มีพานน่ะไม่มีเวทะยิตประสุขเหตที่ไม่มีเวเวทะยิศตะสุขมันจริงตรงบรมสุขคือสุขอย่างชนิที่ไม่ต้องมีตัวผู้เสอยตราบระยังมีตัวผู้เสวยอยู่ตรานั้นยังไม่ใเฉลิมนิพานยังมีตัวผู้เสวยน่ะจือนิพานของความเขาอาตมานนิพานของขามน่ะขามของพามนี่ก็พุทธแต่ ไปต่างกับพุทธนิดเดียวไปเฉียดกันนิดเดียเฉียดกันตรงที่ว่าคขามยังอยากจะให้มีตัวให้สวยสุกเหลืออยู่คืออาตมาณยังมีอยู่พุทธเราสอนาว่าตราบใดยังมีอาตมาณตราบนั้นยังไม่จะสุขแพ้ไม่ดับอาตมาณคล้ายๆพูดก็ว่าจะให้มีความร้อนโดยไม่ต้องมีไฟไม่ได้เมื่อมีไฟก็ต้องมีความร้อนมีร้องก็ต้องมีไฟเพราะฉะนั้นคขามอยากจะให้มีความร้อนแต่ไม่มีไฟใช่ไหได้ พุทคนิสงฆ์ให้ดับทั้งไาด้วยความร้องก็ดับอะไรครับอ้าวโลกุตละจิตนี้นิพพานีลนี้ไม่ใช่อนุปาทิเสสนิพานนะครับท่านที่ผมว่าเลาให้อานุปาติเศสนิพานไม่ใช่โลกุตะโลกุตละจิตน่ะเป็นสวยุกชนิดนิพพานยังมีชีวิตอยู่เป็น รรอุปาทิเสสะผมเค้าได้ว่าโลกุตระจิตเป็นผู้สมุทุกมิธานนะฮะแต่หลังจากท่าริยะอนุนั้นดับไปแล้วอะไรยังนผู้สวยทละ่ะต้งดับไอตัวนี้ดับตัวสมุทล์ไม่ไมิธานไม่มีโลกุตระจิตเหลืออยู่ไม่มีเมื่ออันุปาทิเสสะไปแล้ ว, ว, วที่พระอธิบาย ม, มาถึงอันุปาทิเสสะมิธานไม่ถึงไม่ใช่ห ม, ม, นะมายถึงเสาอุปาทิเสสะนะถ้าหมายถึงเสาอุปาทิเสสะละลก่อนแน่นอนยังมีชีวิตอยู่นี่ครับก็ต้องมีตัวสวุทล์สิเวทนายังมีอยู่นี่ครับ ปัญจคันยังมีอยู่นี่่หมายถึงลกปลาที่เสียักถ้าหลังจากตายแล้วพอง่ายหลังจากตายแล้วนี่งเป็นบรมสุขแท้พ่อขันห้าที่จะมารับไปบาทุกขก็ไม่มีถ้าหังขนยังมีชีวิตอู่ก็เพียงฝุกเพียงชั้นในนะข้งนอกันยังทุกข์นะเพราะว่ายังภาลัเวปันจขันพาขันยังแบกขันอยู่นี่นี่ยังหนักอยู่ยังยังไม่ภาระอยู่ ท่านพระครูพิยะถามมาว่าเครื่องรางของขลังต่างๆใครเป็นผู้ทําขึ้นก่อน <c oughs> ตลาดพระที่ต้นโพรลังกาเฉียงวัดมห า, าพาสนี้จัดเป็นเครื่องรางของขลังหรือไม่ห <c oughs> ลวงพ่อวัดต่างๆปลุกเสกพระต่างๆได้ตัวอย่างมาจากไหนถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่อ่าสําหรับปัญหาพ่อหลังนี่ก็ตอบได้เลยทีเดียวว่าไม่ถูกต้องเพราะถ่าว่าตามหลักโรมชาตะสูตรแล้วก็ผิดนะ แต่ถ้าพูดตามอีกแล้วหนึ่งว่าถ้าหลวงพ่อวัดต่างๆพันทําน้ำมนต์ด้วยคามอนุเคราะห์เขาด้วยมีความเมตตาจิตเป็นบริจาลิขิตก็ไม่ผิดถ้าทําโดยหวังยึดเป็นอาชีพยึดเป็นอาชีพตั้งใจว่ายึดเป็นอาชีพนะก็ะคารักษณะเป็นจีระชานวิชาแต่ถ้าทําโดยนึกว่าสงเคราะเขาเขามีทุกข์เข้ามาหาก็ะทำทำทำน้ำมนต์ขวดมนต์ขวดพรในครับเต่าปต่าเสกไปนะครับพ้นทุกข์ โดยอาการจิรยาเป็นกุศลเจตนาอย่างนี้ก็ไม่เป็นจิราชานะวิชาเป็นกรุณาบุเดจาริสไปสงเคราะห์สัตวโลกไปแต่ถ้าทํำไปได้ดตั้งใจว่าฉันจะเอาอาชีพละทําอย่างนี้แล้วันไเงินได้ทองลาภสการนู่น น, อ ง, นงองมาก็เข้าลักษณะเป็นจีราชานะวิชาคลิกักทุตสะพดในธรมชาราสูตรโดยแท้นี่แล้วก็เป็นการเศ้ามองแต่อาชีพกบบาบมริสุขที่ศีลด้วยนี่ตอนนี้ถามว่าเครื่องรางของขลังต่างๆนั่นใครเป็นผู้ทําขึ้นก่อนเครื่องรางของขลังนั่น ตั้งแต่โบราณมาแล้วพวกศาสนาจารย์ในศาสนาฝ่ายเทวานิยมคิดขึ้นก่อนไม่ใช่ศาสนาพราหมณ์ทั่โลกมีเครื่องรางหมดศาสนาพวกคิดปูเขาก็มีเครื่องรางศาสนาโบราณพวกอียิปต์เขาก็มีเครื่องรางรวมทั้งศาสนาพราหมณ์ด้วยมีเครื่องรางมีแต่พุทธศาสนาเดียวที่ไม่นิยมเครื่องรางถ้าไม่นยิยมแล้วทำไมที่หลังพุทธเอาเครื่องรางมาใช้ต่างเยอะแยะแล้วเครื่องรางเหล่านี้น่ะพุทธเรียนแบบมาจากความเพราะว่าชาวบ้านน่ะส่วนมากมันจะปัญญาชนธรรมดาสามัญเนี่ย ศาสนาพรราหมณ์เขามีเร่อหล่อใจมากชาวบ้านเข้าถึงง่ายๆเขามีเครื่องรางทองค้างมีของวิเศษว่าให้ป้องกันตัวคุ้มครองตัวถ้าเราจะแข่งกับพรางก็ต้องเอาใจพวกชาวบ้านให้มันจะทันยาชนได้ก่อ น, นก็ต้องชาวบ้านมาหาหลวงพ่อวัดมรนมีอะไรให้คุ้มครองบ้างไหมถ้าเราไม่ให้ชาวบ้านก็ไม่ศรัทธาเพราะฉะนั้นพระในพุทธศาสนาก็ใช้เป็นอุปายากุศลไม่ใช่เป็นอาชีพนะอุปายากุศลเด้ออุปายากุศลก็ใช้คํานี้ว่าอุปายากุศล สมมติให้มีให้มีบ้างแต่ท่านมาเปลี่ยนใช้เทวมนต์ก็มาเปลี่ยนเป็นพุทธมนต์แทนบรรดาพระอาจารย์ในสมัยก่อนก็เลือกคัดเอาบทพุทธคุณต่างๆบทพุทธมนต์ต่างๆที่มีที่ม า, ม า, าแปลกๆนายพระไตรปิฎกออกมาแต่งเป็นคาถาแต่งเป็นมนต์แล้วก็มาปลุกมาเสกประดิษฐานเปนเครื่องรางขึ้นแล้วเครื่องรางเหล่านี้ทีขังนะ่ะขังเพราะอะไรขังเพราะอำนาจจิตของผูรรม ถ้าผูกทําไม่มีอำ น, นาจจิตแล้วเป่าคาถาแสนจบมันก็ไม่ขังใส่ไวาเล่าอีกว่าถูกชิน้นนึงไม่มีอะไรแข็งเพราะอานาจจิตของผู้ทำผู้สร้างถ้าผู้สร้างอํนนานาจจิตแข็งมากเท่าไหาไอ้ของอันนั้นก็ขังมากเท่านั้นไอ้เรื่องคือรางของ ข, อง ข, องของังนะี่ผมรู้ดีครับเพราะผมเองน่ะเรียนมาเยอะแล้วคือร่าของแข็งวิชาไยศาสตร์น่ะไหวครูยอะครูมาเยอะแยะทั้ทงนี้เรื่องหมแล้วเรื่องปีสองสีเริ่อหมดครอบครูบาอาจารย์อาจารย์สำนักไหนเจ๋งไปครอบ ปัตมังอิทเจตีนิสิงเหภุสคุลเรียนหมดแล้วก็ตั้งหงงงกระดานลุ่งขาวหมุมขา ว, ขาวตั้งวัชบัตรขัดงนั่งเขียนเลี่ยเรียดเล่เรียดเลีเล่ยดูดเลี่ยเลียเทียนนะปัตมังพินทุกตังชาตังสุทิยังันต่อเมวจาสุติยังเทสกันเจวะจะติดถังอังกุตัมชาวังบัญจะมังสีระฟังชาตังนี่ยว่าเลี่ยทาเตียนี่ทํางง ม, มาหมดแล้วหงปมังก็ทามาแล้วหงุ่งสุสกุลก็ทามาแล้ว แล้วก็เรียนผูก ต, ต, ตรุษขุดต่างๆลงยันไปในสิงเหนเรียนมาหมดแล้วผูกนี้แล้วก็เลิกตีสองสีเก้าๆก็บอกคืนครูบาอาจารย์หมดเลยบอกถอนหมดเชี่ยไมา่เอาแล้วเรียนมาแล้วเนื้อไม่ได้กินน้ำไม่ร้องไม่ขี้ข่าแล้วรถมนญในคนอื่นเข้าป่วยกัน <c oughs> อยู่ดีเมือว่าดีนั่งล้างขดล้างแขนนั่งเซกนั่งสาวกระทาโค้งใคนอื่นเขาตัวเองน่ยสุขภาพย่ําแย่อดหลับอดนอนยังเพ่งกระแสจิตอีกอ่าสุขภาพแย่เมื้อได่กินน้ำไม่ได้รองอ่า อะไรก็ไม่ได้เขาเรียกขวัญข้าวข้าบูชาครูเทีย่ยสลิงบ่ของสลึงบ่ไม่เียใจเลยแต่ว่าถึงปีจะยกครูเทีแมวหัวหมูเอ้ไปไก่เอ้ใบสีเอ้ปลาเอ้มากมกายไก่กองเต็มโบดเลยไม่ไหวอ่ะแล้วก็ตัวเองก็ไม่ดีสุขภาพก็ไม่ดีกําลังก็ไปไม่ถึงก็เลยบอกเลิกถอนหมดเลยเมื่อปีสองสีเก้าเก้าเลิกหมดทำพีข้าคมต่างๆคืนครูหมดเมื่อก่อนนี้ไม่ได้นะครับเห็นเลยเห็นยัาเนี้ึ้นหมดทีเดียว เห็นเล็บถึงยันเขาติดตวายตัวจะฝั่นเทิมขึ้นทีเดียวแล้วก็นั่งตรวจ ด, ดูว่าเล็บยันเนี่ยมีลังสีสูงแค่ไหน